ดงเช้าก็จะเป็นวันใหม่เป็นวันชึ่งสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่ปกติก็พระก็จะลงปาติโมกข์ในการทบทวนพระวินัยทบทวนข้อปฏิบัติของหมู่สงฆ์แต่จริงเบื้องต้นของ ปาติโม่ที่พระเจา้าส่าสอนไว้ก็คือในบทโอวรราทปาติโม่ที่พวกเราได้ได้สวดกันเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของปาติโม่ที่พระพุทธองค์ท่านฝากเราไว้จะเป็นพระก็ดีแม่ชีก็ดีโยมก็ดีเนาะถ้าจะอ่าจะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เอานี่แหละ เอาข้อปฏิบัติตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เตือนใจเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เอามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างแต่บางทีคนไทยเราหรือเวลาแปลโอวัตถาติโม่บางทีก็ถ้าแปลง่ายเกินไปความหมายก็จะไม่ค่อยอครอบคลุมเช่นเราบอกว่าการไม่ทำชั่วการทำความดี หรือการชำระจิตให้บริสุทธิ์แต่จริงในในความหมายจะบอกว่าการไม่กระทำอกุศลทั้งหลายนะหรือการเจริญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ข่ารอบนะมันมีความหมายมากกว่าคำว่าความชั่วนะความชั่วนะแต่จริงถ้าราษาวีตแต่ว่าอากุศล อกุศลก็คือสิ่งที่ทําแล้วทําให้ใจิตใจมันเศร้าหมองนั้นเมื่อทําอะไรแล้วจิตใจมันเศร้าหมองอันนั้นเป็นอกุศลทั้งนั้นแม้บางทีรูปแบบมันเหมือนทําความดีแต่ถ้าทําแล้วจิตใจเกิดความเศร้าหมองปิตใจไม่ไม่เบิกบานอันนั้นก็คือการที่เรากำลังเจริญอกุศลอยู่แม้บางทีรูปแบบการทําความดีเช่นบางทีขนทางโลกเนาะบางที ทำงานที่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นหรือทาสิ่งที่ดูจะเป็นประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่ทําด้วยจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจเจอด้วยความทุกข์อันนั้นจะเรียกว่าเป็นการเจริญกุศลหรือเปล่าก็ไม่น่าจะถูกนะแต่เป็นการเจริญอกุศลจะมากกว่าก็าจิตใจเจืดความเศร้าหมองแม้จะมีกุศลในส่วนที่ช่วยคนอื่นกุศลในส่วนที่ทาความดี แต่ถ้าจิตใจไม่ได้เบิกบานกับสิ่งที่ทำก็น่าจะยังไม่ยังไม่ใช่การที่เจริญกุศลให้ให้เจริญ ง, งอกงามเพราะจริงกุศลอ่ะก็นคือการที่เจริญแล้ว จ, จิตใจเกิดความเข้มขึ้นเบิกบานมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ถ้าทำความดีจริงๆก็ต้องทำความดีแล้วเกิดความเบิกบานใจเกิดความสุขใจ ในผลที่ในสิ่งที่ได้กระทำแม้ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรอันนั้นเป็นีเรื่องหนึ่งแต่มีความสุขใจมีความเบิกบานใจที่ได้กระทำสิ่งที่เป็นความดีตอนนี้จะทำให้กุศลของเราจเจริญเต็มที่ถ้าเราเอาตรง น, นี้มาเป็นข้อข้อระลึกของเราอย่เสมอเนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วจิตใจมันเกิดความเบิกบานไม่ ทำแล้วจิตใจกับความเศร้าหมองไหม น, นี่ะก็จะเป็นตัวเตือนใจว่าเ อ, อ๊ะตอนนี้เรากําลังเจริญกุศลหรือว่าตอนนี้เอากุศลมันเจริญงอกงามอยู่ดัะนั้นรูปแบบภายนอกในการทําความดีอาจจะเป็นก็เป็นที่รูปแบบภายนอกเพราะบางทีทําเหมือนกันแต่ได้ผลแตกต่างกันไปก็มีแต่ถ้าเราทําดีให้ถึงเพอจริงๆจิตใจก็จะมีความสุขความเบิกบานะ แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวได้บางทีในรูปแบบที่เราทำความดีแต่ทำด้วยจิตใจเศร้าหมองมันก็เป็นการเจริญให้อกุศลมันเบิกบานในจิตใจนอกนามในจิตใจจะจะ เ, เปล่านะอันนั้นคาว่าความชั่วหรือว่าความดีนะที่แท้จริงมันไม่ใช่ที่เป็นกิริยาายนอกมันเป็นที่กิริยาไปในใจของเรานี่แหละนะจะทำชั่ว หรือทำดีถ้าแบบสมมุติคนคนค น, คนอื่นเขาก็รู้อยู่แล้วนะแบบสมมุติคนอื่นเขาก็รู้อยู่แลแต่เราพูดเน้นถึงตัวปรมัตสสภาวะธรรมไปเลยนะก็คือก ว, ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจนี่แหละกุปสนงอกงามไหมอุศสมันลดลงนะหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมันก็เลยส่งผลกับการที่ทําให้เกิดการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือให้บริสุทธิ์นะ ที่จริงจะว่าเป็นการชำระจิตเนี่ยมันก็มันก็ถูกแต่มันก็ถูกแบบถูกแบบให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆเนาะแต่ถ้าจะถูกแบบจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอย่าตอนไปคราที่รับไปเมืองจีนก็ไม่มีโอกาสไปที่วัดเส้าหลินเราก็คงรู้จักกันอยู่วัดเส้าหลินก็มีอาจารย์ตักหมอนะที่เดินทางมาจากอินเดีย ก็มาเอยแพร่ธรรมะแบบเรียกว่าถ้าพวกเราเข้าใจคือแบบเซนที่เมืองจีนเป็นองค์แรกเรียกว่าเป็นสังฆะนณิยนยกองค์ที่หนึ่งในฝ่ายในฝ่ายเซนนะองค์ที่หนึ่งท่านเป็นคนเรียกว่าไปอยู่ที่ถ้ำที่เขาทรงซารที่ตรงที่เป็นที่ตั้งของวัดเจ้าหลินนะแล้วก็ตั้งวัดเจ้าหลินขึ้นมา คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโซลินเป็นเพียงแค่สำนักวิทยาศาสตรแต่จริงเป็นเรียกว่าเป็นสำนักในน้กลายเป็นแห่งแรกก็มีความตั้งใจอยากจะไปดูตรงถ้ำที่ท่านไปบำเพ็ญที่จริงไม่ใช่บำเพ็ญเพียงหรอกท่านมารู้ธรรมแล้วแต่เพียงว่าท่านก็มีวิธีการสอนที่แตกต่างจากคนอื่นท่านไปที่เมืองจีนน่าก็ไปนั่งอยู่ในอยู่ในถ้ำเป็นเวลาแปดปีนั่งหันหน้าเข้าหาผนังถ้ำ เพื่ออะไรไม่รู้นะแต่คนส่วนให ญ, ญ่ก็เชื่อว่าท่านรอลูกศิษย์องค์หนึ่งลูกศิษย์องค์นั้นชื่อว่าท่านหุยเขอนะหุยเกะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะก็เดินทางมาหาท่านที่หน้าปากรรมแล้วก็คล้ายๆ ข, ขอขอให้ท่านตักม้อญช่วยช่วยอะไรช่วยชำระจิตของตนให้ให้บริสุทธิ์ด้วย ท่านฮุยเขื่เป็นผู้ที่สแสวงหาวิธีการที่จะทําชําระจิตของตนให้บริสุทธิ์ก็กลัวท่านตักมอจะยอมนะจะยอมก็อ้อนวอนหลายครั้งสุดท้ายก็บอกเนี่ยขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชําระจิตของกผมให้บริสุทธิ์ด้วยท่านตักมอสั่งชี้ที่ไหนสั่ชีว้ว่าในท่านเอาจิตของท่านออกมาให้เราดูซิเราจะชําระให้พอท่านฮุยเกิดได้ได้ฟังนั้น กลับย้อนกลับมาดูตัวเองเฮ้ hey, เราจิตมันมีตัวตนที่ไหนเราเอาออกมาให้คนอื่นชําระได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาจิตของเราออกมาให้คนอื่นชําระมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจิตไม่มีตัวตนไม่มีทีต่ตั้งท่านฮุ่เสื่อพอพอได้แต่ น, นักรู้ถึงว่าสภาวะที่แท้จริงแล้วจิตมันไม่ใช่เรื่องของการชําระแต่เป็นจิตแต่เป็นแต่เป็นปัญญาที่เห็นว่าจิตที่แท้ไม่มีตัวตน เมื่อเห็นว่าจิตที่แท้แล้วไม่มีตัวตนมันก็เอาออกมามันก็เป็นสภาวะที่ว่างเปล่าอยู่แล้วไม่มีคําว่าสะอาดหรือคําว่าสะปะปกปรกมีแต่จิตที่เป็นบริสุทธิ์ธรรมดาอยู่แล้วท่านฮุฮ่ยเสกก็เออแต่หนักรลดตรงนั้นเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าเป็นอนัตต า, น, านล้วก็บรรลุธรรมตรงนั้นทันทีหรืออย่างที่พวกเราเคยได้ยินท่านอท่านเวรางเนาะ ทั้งเวลานท่านก็มีสโศกที่เป็นที่พระทักใจหรือเป็นที่ที่ถูกต้องในธรรมที่พวกเราเคยได้ยินกันอยู่นะกายนี้ก็ไม่ใช่ต้นโพจิตนี้ก็ไม่ใช่กระจกใสนะถ้าเมื่อไม่มีต้นโพไม่มีกระจกใสแล้วฝุ่นละอองจะจับลงที่ใดนะก็ไม่ต้องชำละนะคือปกติคนก็จะเ ป, เปรียบเทียบเหมือนคล้ายจิตเหมือนกระจกที่ต้องคอยชำระ คอยมันเช็ดถูหรือต้องคอยทำความสะอาดบ่อยๆแต่ถ้าเข้าเข้าใจถึงสภาวะที่เรียกว่าอนัตตามันกไ็ไม่มีตัวตนให้ต้องคอยชำระหรือต้องคอยรักษาต้องคอยระวังอันนี้ปเป็นสภาวะที่สูงสุดมากของในการที่เราต้องศึกษาเนาะศึกษาให้เห็นถึงแม้แต่สภาวะที่เรียกว่าจิตใจหรือร่างกายมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งนั้น ดังนั้นที่จริงโอวาทปาิโมที่ท่านแปลว่าการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ที่จริงมันก็ก็ถูกนะแต่ถ้าเราจัดแปลให้ถูกเข้าไปเพิ่มขึ้นไปในความเข้าใจของเราก็ชำระจิตหรือว่าศึกษาเรื่องจิต น, นี่แหละจนถ้าเัางจนกระทั่งเขา้เขาถึงสภาวะที่จิตมันก็เป็นอนัตตานะเดยไม่ต้องชำระไม่ต้องอะไรแล้ว นี่ยเป็นโอวาทปาทิโมที่ที่สำคัญมากการละอกุศลการเจริญกุศลหรือการทำจิตนะให้ให้ถึงซึ่งความบือสุดหมดจดเป็นสิ่งที่ถ้าเราเอาสามอย่างนี้เป็นตัวเตือนใจของเราอยู่เสมอนะแต่เราก็ต้องเข้าใจให้มันถูกว่าที่แท้จริงเป็นแบบไหนพอเราทำแบบนี้ได้เนาะในวิธีการใช้ชีวิตของเราจะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ ถ้าเราสามหลักนี้เป็นตัวใช้ก็จะทำให้เราเรียกว่าเข้าเข้าถึงพระรัตนตยได้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ก็ยังขยายความให้พวกเราอีกนะในหข้อหลังเช่นะนการที่เรียกว่าไม่ไม่ทำความชั่วหรือเรียกว่าการการละอกุศลท่าก็ขยายนะกอเวลาที่เราไม่เวียดเวียน สัตอื่นที่จริงก็คือการไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคือสัตว์ในที่นี้ก็หมาถึงทั้งทั้งคนทั้งสัสตอื่นด้วยสิ่งอื่นด้วยนะพอเราไม่เบียดเบียนเรงนี่ยก็คือการที่เราไม่ทําความชัว่วเราไม่เบียดเบียน ด, ด้วยทางไหนทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางจิตใจให้คนอื่นเขาทุกข์ใจด้วยให้สัตว์อื่นเขาทุกข์ใจด้วยนี่คือการไม่เบียดเบียนใช่ไหม การทํากุศลเช่นการมีขันติความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเพื่อเผากิเลสอย่างยิ่งทดลองดูันติแบบไหนเึ็นเผากิเลสขันติแบบไหนมันสร้างอัตตามานะเราต้องขอแยกแยะให้ถูกนะออถ้าขันติเป็นไปเพื่อเผากิเลสอันนี้ก็ถูกแต่ถ้าขันติไปเพื่อบางทีเพิ่มอัตตา ว่าเราเก่งเราดีเราเด่นหรือว่าอยากจะอวดใครอันนั้นอาจจะไม่ใช่นะทนะันติเขาไปไปเพื่อการเผากิเลสนะไม่ใช่เปลี่ยนใจเป็นไปเพื่อการอ่าส่งเสริมอัตตาให้มันใหญนะ่หรืออย่างที่พระเจ้าท่านบอกว่านะนิพพานทางปรามังวทันติพุท ธ, ธาก็คือว่าพระนิพพานนะพระนิพพานเป็นเป็นธรรมที่เป็นสุขอย่างยิง่ง ก็คล้ายๆท่านให้เราตะหนักถึงเป้าหมายเป้าหมายว่าพันิชภา น, นี่เป็นไปนสุขอย่างยิ่งม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าพันิพานแล้วทังนั้นถ้าคนไม่เห็นว่าสุขที่สุขอย่างยิ่งหรือว่าสุขที่แท้จริงคือพันิพานคนก็จะไปติดสุขทางโลกติดสุขทางโลกมากมายเมื่อตอนเดินธรรมยานิกก็มีพระรูกหนึ่งก็ถาม เขาบอกเขาไม่คไม่เห็นโทษของของกาลมาสุขจะทำอะไรดีบอกก็มาสุกจริงๆอสุขทางตาสุกทางหูสุกทางวิ้นสุกทางกายอะไรต่างๆเขาบอกเขาไม่เห็นโทษของกาลมาสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ยากนะถ้าใครไม่เห็นโทษของกาลมาสุขมันก็ไม่อยากที่จะตัดใจละกาลมาสุขหรอกเพราะกาลมาสุขมันก็มันก็ให้ผลได้ได้ทันตาเนาะ แต่ถ้าคนเห็นว่าสุขที่ยิ่งกว่าการมาสุขมันก็มีนะก็คือสุขจากความนิพพานสุขจากความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังนิพพานเป็นสุขยิ่งกว่าการมาสุขสุขยิ่งกว่าสุขอย่างอื่นนะถ้าเราเอาตรงนี้เป็นเป้าหมายของเราเราก็เออพยายามทําให้นิพพานมันมันแจ้งให้มันเจริญให้ได้เรื่องของการฝึกจิตเท่งกับเรื่องของการ อธิจิตเตจะาโยโขการหมั่นประกอบทำจิตให้ยิ่งนะทําจิตให้ยิ่งก็คือเนี่ยก็คือการเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปบางทีพระเจ้าท่านบอกว่าคือให้เราไม่ประมาทในธรรมหรือว่าไม่ไม่ให้เราสัโดษในธรรมธรรมก็คือว่าสิ่งที่ทําให้จิตใจมันเจริญมั น, มนงอกงามหรือเข้าถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เราไม่ไม่สันโดษหรือว่าไม่พอใจในเพียงแค่ทำขั้นต้นหรือว่าขั้นกลางเท่านั้นแต่พุทธองค์ท่านบอกว่าผู้ที่หมดสิ่งที่ศึกษาแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นถ้ายังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องทำความเพียรอยู่เสมอก็คือการทำจิตให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยอย่าพอใจเพียงแค่คุณสมบัติในระดับใดระดับหนึ่ง หน้าที่ของเราคือต้องเรียกว่าขนขวายเชี่ยวเข็นพัฒนาตัเองให้กระทั่งเข้าถึงพระนิพพานให้ได้ถึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่อย่างเป็นสุขอย่างยิ่งนี่เราก็เราถ้าเราลองดูแค่อวัตตปาติโมกหนึ่งบทที่พระเจ้าท่านให้ไว้ตั้งแต่นู่นเกือบสองพันหกร้อยปีมาแล้วเนาะแต่ที่จริงก็ใช้ได้มาถึงตอนนี้แล้วก็คงใช้ได้ ตลอดไปที่จริงถ้าเราจำํำทวินในะข้อไหนไม่ได้เราก็เอาโอาวาทปาิโมกขนั้นแหละเป็นตัวเตือนใจของเราอยู่เสมอเพราะว่าพิสูจนทั้งหลายนะแต่ก่อนก็สอนก็ตามแนวโอวาทปาิโมกของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละไปถึงปัจจุบันนี้ก็ดีถ้าเราเอาหลักตคนนี้เป็นตัวใช้ลรลบรองไม่ต้องคิดติดใแต่ถ้าเราไปจับเอาแค่ เป็นข้อของศีลข้อของวินยัยเป็นเื้อป็นข้อปฏิบัติที่เป็นรูปแบบไปมันทำให้ เ, เกิดการเกิดการโต้ทียงกันในการขวดขวดกันเนาะให้เราเอาโอวาทพระใช้อยู่เสมอไปนะเอาไวไ้ในการเดทาง เดินทางไกลเพื่อให้ถึงพระนิพพานเทศแข่งกับใเรไม่ได้นะพอแล้วกันเนาะ